วันนี้ขอให้เธอที่ตั้งใจจะปฏิบัติเนคขมมะละจงตั้งใจฟังให้ดีจะถามว่าเนคขมมะเกี่ยวกับมโนยิติไหมเกี่ยว้ะเกี่ยวใกล้กันแบบไหนก็ฟังมาไปกันแล้วกันนะแต่ที่แน่ๆทาจิตนึกถึงองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อน เพาการฟังธรรมก็ให้นึกว่าเราตั้งใจฟังตรงจากพระพุทธเจ้าได้บำเคารพการตั้งใจฟังได้ดีย่ำนำมาด้วยปัญญาคนปัญญาดีก็เพราะเขาตั้งใจฟังดีใ น, นเวลาจะตั้งใจฟังแต่ก็กําหนดจิตใจนึกถึงองค์เสด็จพระปฏิจจแก้วถ้าเราสามารถเคลื่อนกําลังใจ ออกไปจากการนี้ได้ก็จงออกไปเถิดออกไปที่ปัจ ร, รัมณีเจดีสถานที่คุ้นเคยก็ไปจะไปแวะที่บรรดุอคอมพลีศีลาอาดก็ตัดใจจะไปที่เทวสภาหรือจะไปถึงนิพพานก็สุดแล้วแห่กำลังใจที่จะตั้งปวามปรารถนาแล้วก็คิดให้กวรตามนี้ว่าคำว่าเนกขมัต คือการถือบวดการที่จอตั้งใจจะมาบวชหรือว่าคนที่บวชแล้วก็ดีองเสด็จท้ชินในสีปรมาสสดาตรงตัดแสดงพระธรรมเทศนาเอาไว้เมื่อครั้งที่ทรงโปรดท่านปัญจปัญจะอะไรวัคทีหรือสีทั้งห้า พระงตแสดงว่าทำเป็นมาเทศนาว่าเล่นมันบ้ามันจะ ว, วันทันว่างอย่างนี้นะ น, นะเล่นมันไม่ทํางานดีสร้างมันบุคคลที่คล้ออกจากเรือนหมายถึงว่าพวกไม่ยินดีในการคลองเรือนกับบุคคลที่ยินดีในการคลองเรือนปฏิบั ต, ติต่างกันบุคคลที่มีความยินดีในการคลองเรือน ต, ต้องตัดว่าย่ำหลงอยู่ในรูปรูปที่ว่าก็หมายถึงรูปของคนบ้างสักด์บ้างรูปของจี่เป็นวัตถุบ้างตรองรูปอะไรรูปสวยติดในรูปของตามสวยไม่ชอบแต่ที่รูปไม่สวยติดอยู่ในรูปต้องให้มันทรงตัวอยู่นานๆคือเที่ยง อย่างนี้เป็นต้นหลงหลงไม่เสียงเสียงมาจะอะไรเสียงจากเสียงของคนบ้างเสียงจากคนรักก็หลงเสียงจากคนที่เราชอบใจก็หลงแต่เสียงจากคนที่เราไม่ชอบใจก็หลงหลงด่าหลงว่าเสียงของสัตก็หลงเสียงของวัตถุที่กระทบกันก็หลงที่ผูกของเรือน เขเป็นกันแบบนี้เขาจึงสร้างบ้านสร้างเรือนกันใหญ่โตมโหฬารทั่วเป็นทั้งโลกเห่นไหมก็หลงในโรค บ, บ้างหลงในเสียงบ้างหลงจิตอยู่ในกลิ่นบ้างกลิ่นหอมก็หลงกลิ่นเหม็นก็หลงสงสัยไม่เหม็นทำไมหลงก็หลงว่ากูจะไม่ไปโดนอีกไงนะหลงเช็ดหลงทางไปเลย รสสัมผัสก็หลงรสอร่อยสุขบุตรสุขใจก็หลงกายที่สัมผัสของอ่อนนุ่มนิ่มนวลแข็งกระด้างอะไรก็ตามถึงก็หลงเช่นเชื่อว่าหลงในรูปเสียงกลิลน ส, สัมผัสระหว่างเทศเป็นธรรมอันหยาบหรือเป็นธรรมอันเลวสงสายอย่างนี้นะนี่คือธรรมอันเลวจําไว้ปุกปนใดหวังบวช แพ่รงฟังเนจันนคขมภะต้องละความยินดีดังที่กล่าวมาจึงจะจัดว่าเป็นบุคคลที่ต้องการสแสวงหาในขอมะโดยแท้ทรงตัดไว้ในทรงที่แสดงวัตถมเทศนาโปรว่าส่วนสุดสองประการนี่คือส่วนสุดข้อแรกจิตเนการปฏิบัติทมสมาธิจิตเมื่ออยากที่เจะสุขมโน ม, มายุธิถ้าเธอไม่ เอาอารมณ์ไปจิตยอยู่กับรูปของคนรูปของสัตว์รูปของวัตถุจนเกิดความระค์ความรักบ้างความโลภบ้างความโกรธ ด, ด่างเห็นไหมล่ะใจของเธอจะสงบแต่ถ้าเธอขณะปฏิบัติอยู่จิตของเธอยงังมีความยู่ในรูปเสียงกิรสสัมผัสอย่างในอย่างหนึ่งอย่างในอย่างหนึ่งสมาธิของเธอก็เป็นไปไม่ได้ปุ้งซ่าน หรือว่านิวรณ์เขากวนใจเธอแล้วก้อนิ ว, นวรณ์กวนใจเธอก็เ ท, เ, ทเท่ากับว่าทำลายความเป็นนักบวชหรือผู้ตองในธรรมะนั่นเองผู้ปฏิบัติในธรรมะจึงพึงสำรวมระมัดระวังใจของตัวเองว่าอย่าหลงติดอยู่ในรูปอย่าหลงติดอยู่ในเสียงกลิ่นรสและสัมผัสในว่างเพศ ถ้าใจของเธอไปเกาะเมื่อไรแม้แต่นดิดเดียวนั่นแม้ถึงว่าเธอเป็นผู้ครองเรือนเธอเป็นผู้ทรงทำอันเลวอยู่ในใจของเธออยู่อย่านั่งใต้คนนี้มันพูดมากไม่สงบย้ายอยู่ตรงนี้คนเยอะ ย, ย้ายอยู่ตรงนี้ยุงเยอะ ย, ย้ยายย้ายไปเรื่ยรอบป่า เพราะว่าเราคารมันใจเกินไปได้วยการบังคับใจว่าเราต้องหาที่สงบหาที่สงัดหมายความว่าที่เขามีจํากัดเขาก็บเอาไว้ให้กับเราเราก็ดูเอาตามความเหมาะสมที่ตรงไหนเหมาะเราก็เอาตรงนั้นหรือใครปฏิบัติในห้องเราก็พอใจในห้องที่เขาหาให้ห้องที่เขาจัดไว้ให้ห้องนี้ไม่ดีวงรถไม่มีไม่สงัด ไม่สงบอย่างนี้เป็นต้นถ้าถือว่าการทรมานใจของเธอเกินไปทําให้การปฏิบัติเสียไม่สามารถเดินเข้าถึงความสงบเป็นสมาธิได้หรือว่าการทรมานใจของเธอเกินไปในกรณีที่ น, นั่งว่นฉันจะนั่งเท่านี้นั่งครึ่งชั่วโมงนั่งตอนเช้าทุกวันถึงเวลานี้ฉันจะนั่งสองโงเช้าฉันจะนั่งสามโงช้าฉันจะนั่ ง, มม ง, งถึงเวลามีจิตทำอื่นจิตก็มีความร้ อ, รอน ไม่สบายใจเพราะกำหนดใจได้ว่าเดี๋ยวถึงเวลานี้เราจะนั่งทำสมาธินี่ก็เป็นการทรมานใจเกินไปเพราะพุทธเจ้าไม่สารเสวนแม้การทรมานใจของเธอเกินไปก็คือการบังคับบังคับจิตของเธอบังคับเพื่อให้ันจิตมันของใสบังคับจิตให้มันคิดแต่เรื่องดีๆอย่าให้มันคิดชั่ว นี่ก็เป็นการพรมานใจเกินไปแต่ทำไมเขาสอนให้ละความเชื่อพยายามข่มใจเอาไว้อย่าให้มันคิดชั่อพาสังสอนอย่างนี้ไม่ใช่รู้ก็พาสั้งกัสอนอย่างนี้เวลานี้พาสั้งกสอนแบบนี้หรือว่ามันขัดกันไหมเดี๋ยฟังให้ดีนะเบื้องต้นจําเป็นจะต้องบังคับจิตแต่ถ้าจะต้องการปฏิบัติเพื่อหลุดค้น เขาต้องเลาะยอมรับจ <um ิตยอมรับกฎของความเป็นธรรมดาของอารมณ์ว่าอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู uh, ่ได้ไม่นานแล้วก็ดับไปอารมณ์เกิดขึ้นทั้งดีที่เป็นกุศลอารมณ์เกิดขึ้นทั้งเลวที่เป็นอกุศลอารมณ์ที่เกิดขึ้นทั้งไม่ดีแล้วก็ดีที่ไม่ใช่ทั้งกุศลแล้วไม่ใช่อกุศลอย่างนี้เป็นต้นคืออารมณ์กลางกลางอารมณ์เหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่ได้ไม่นานแล้วก็ดับไป ไม่จะเป็นของใครบังคับได้เธอไม่มีสิทธิ์ที่จะบังคับให้อารมณ์คิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นตามตุขตามทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ทรงตัวอยู่ได้ต้องตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้บังคับให้อารมณ์เป็นอย่างนั้นเมื่อไหร่ก็ได้นี่คือการทรมานใจของเธอเกินไปหากเธอจะฝืนมันฝืนให้คิดแต่เรื่องดีๆอย่างเดียวเรื่องชั่วไม่ให้มันคิดจะห้ามมันได้ไหมละ่ะ เธอต้องการให้อารมณ์ของเธอของใสอย่างเดียวอารมณ์มวลหมองไม่ต้องการให้เกิดเธอบังคับมันได้ไหมบังคับมันไม่ได้มันแช่เรามันใช่ของเราหรือเปล่าแล้วมันเป็นสุขหรือว่ามันเป็นทุกข์ก็เพราะมันเป็นอย่างนี้ไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเรามันเป็นสิ่งที่เราบังคับไม่ได้จิตของเธอจึงฝืนพลมาณใจของเธอเกินไปจึงไม่สามารถปฏิบัติให้สมาธิสงบได้ นี่คือการสง่งเนคขมมะการเสียบทเนคขมมะเขาต้องละส่วนสุดขอประกาศออกไปเสก่อนถ้าเธอละไม่ได้เนคขมมะของเธอก็ไม่มีประโยชน์แต่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะละได้ทุกตักมันละได้เฉพาะเวลาก็ยังมีฝ่าละไม่ได้เสียเลยเคยพยาละมันใบ่อย ค่อยๆคิดพิจารณาควบควนให้มันประติดต่อว่าเรากําลังตั้งใจจะบวชเมฆมะเราต้องฝึกแล้วหรือเรากําลังบวชเมฆมะเราก็ต้องส่งแล้วแม้แต่พระสงองค์เจ้าที่เป็นเนนก็ดีเป็นพระก็ตามก็ต้องทำใจแบบนี้ถ้าไม่ทำใจแบบนี้ก็ถือว่ายังไม่ใช่พระยังไม่ใช่บุคคลที่พ้นจากการเป็นนักบวชผู้กิจแต่คนนักบวชเป็นไร นักบาปไม่งไงยังไม่พ้นจากการเป็นค า, ารวาใช่ไหมหรือว่าใจของท่านแม้จะความผ้าเหลี่ยมผาลายก็ยังเป็นค า, ารวะอยู่เพราะอารมณ์ใจ ย, ยังติด อ, อ, อยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจิตยังมีการตั้งมั่นด้วยความทรมานใจของเตัวเกินไปไม่สามารถเข้าหาความสงบได้เพราะเหตุแห่งจิตไม่สงบสัญญาจึงไม่เกิด เมื่อปัญญาไม่เกิดเทกละกิเลสออกจากจิตไม่ได้นั้นเสียมสุดสองประการนี้สําคัญไหมสําคัญพระพุทธเจ้าทรงตัดแสดงวัรมเทศนาโปรดท่า น, นจาวักขีหรือสี่ทั้งห้านันพูดจิตจิตไม่ได้เล่นมันไม่คยกระดกวันนี้ไม่รู้เป็นไรสร้างมันนะเล่นมันมันจะเล่นกูนะ <c oughs> แล้วก็สงบ อ, าอ่านอกรอบไหมว่าแล้วนั้นตั้งใจฟังให้ดีนะจงจำไว้ว่าในขณะที่เราต้องการความสงบเขาเรียกว่าเข้าสู่ในขมะในข ม, มับไม่ใช่กวนผมหรือผมพลาดเลีอยงพระเขาในขมะคือการทำจิตให้สงบปราศจากความยินดีในรูปเสียง กินและรสสัมผัสระหว่างเพศเขาเรียกว่าผู้ทรงเนคข ม, มั่นนั้นเข ม, มัย่อมเกิดขึ้นในใจของเธอได้ทุกขณะถ้าเธอต้องการความเต็อมอกเมื่อไรนั่นคือเธ อ, เธอกาลังทรงความเป็นเนคข ม, มะเมื่อนั้นการบทเนคข ม, มะก็คือการบทใจของเราให้ละความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส เธอก็จดจำไว้ว่าหากเราหลงอยู่ในรูปในเสียงกลิ่นรสสัมผัสระหว่างเพศเราคือผู้คลองเรือนแม้เราจะนั่งทำสมาธิก็ยังเป็นผู้คลองเรือนหาความสงบไม่ได้จิตเราจะต้งสัง้นวุ่นวายไม่เกิดปัญญากล่าประโยชน์ที่จะนั่งคนกับการปฏิบัติเห็นไหมเสียเวลาเปล่าถ้าจิตของเธอไม่เป็นในขมวา ในการปฏิบัติก็คือพยายามพัดทวงสิ่งของเธอให้สะอาดสะอา้านตั้งใจกำหนดคารพรจริงในพระพุทธสรมมและพระอริยสองเป็นสำคัญแล้วก็หันมาดโรูรูปรูปของเราเืลาเรานั่งทำสมาธิเวลานี้พิจารณาะไรนะรูปของเธอกำลังนั่งอยู่ทำสมาธิจิตรูปนี้ไม่เที่ยงรูปนี้เกิดขึ้นโดย ความเป็นธรรมดาคำว่าธรรมดาหมายความว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้เป็นธรให้มันเกิดแต่มันเกิดขึ้นจากกฎของครามเป็นธรรมดาของธรรมชาติสร้างมันให้มันเกิดมันจะเกิดได้ก็ต่เมื่อธาตุทั้งสี่ประชุมรวมตัวกันมีความพอดีมันจะไม่ไปเกิดในที่ที่ไม่มีอากาศ มันจะไม่ไปเกิดในที่ที่ไม่มีน้ํามันจะไม่ไปเกิดในที่ที่ไม่มีความร้อนมันจะไม่ไปเกิดในที่ที่มีอาหารและธาตุต่างๆที่เรียกว่าธาตุิมันต้องไปเกิดในที่ที่มีทั้งสี่ประการอยู่ครบเครื่องพอดีมีไม่ใครไปเกิดกับคนตายยุ่งนะถ้าเกิดคนตายยุ่งนะพี่ออกโลกได้รุ่งเหมือนกันนะยม ก็เพราะคนยังมีธาตุทั้งสี่ประุมรวมกันอยู <S <S ่ก็จึงอุบัตกิขึ้นได้เหมือนกับสิ่งมีชีวิตเฉพาอถ้าแม่จะคลอดลูกในที่ที่ไม่มีอากาศแม่ก็ตายรูกเป็นไหมละ่ะลูกก็ตายไม่มีชีวิตหรอกชเชื่อว่าการเกิดที่มีรูปเวลานี้เพราะอาศัยธาตุทั้งสี่เป็นตัวประกอบมันทรงตัว อ, อยู่ได้ก็เพราะธาตุทั้งสี่ตัวนี้ มันเสื่อมก็พราะธาตุทั้งสตัวนี้มันสลายไปก็เพราะไอ้ธาตุทั้งสี่ตัวนี้นี่แหละคนอาจจะงงว่าธาตุทั้งสี่มันอะไรก็ลมหายใจที่เธอหายใจเข้าไปนั่นก็ธาตุอย่างละน้ำที่เธอกินนั่นก็อีธาตุอย่างละความอบอุ่นจากการขผาผ่าญภายในไไร่างกายแม้ถ่ายนอกขายในนั่นก็อีธาตุอย่างละอาหารที่เธอกินนั่นก็อีกธาตุอย่างละพูดกันง่ายๆนะจะได้เข้าใจ ว่ามันมีทั้งสี่ประการถึงจะมีชีวิตมีรูปมีร่างแต่มันอาศัยจิตวิญญาณเข้าไปครองอยู่รูปนี้จริงๆมันไม่มีชีวิตจิตใจหมายควาว่ามันทําอะไรไม่ได้ถ้าจิตไม่เข้าไปอาศัยมันมันก็เหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งที่เกิดขึ้นในสภาวะที่มีธาตุทั้งสี่ประชุมรวมกันพอดีมันจึงเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่ได้ไม่นาน มันนาจจะเดินเติบโตจน ง, งดงามเกิดเติบงดงามตามวัยตั้งแต่แลกแย้มเป็นหนุ่มเป็นสาวพอมันจังที่ของมันมันก็เล่นเสือ่อมเรล่นเป็นผู้ใหญ่คนแก่เป็นคนชร า, ลาแล้วก็ทุดโทรมลงไปจนถึงตายนั่นเกีความเป็นธรรมดาของรูปเหมือนกับต้นไม้เคยจะปลูกยังไงบำรุงรมาเลยมาขนาดไหนมันก็มีอายุไขของมัน จะอยู่หนางร้อยปีมันก็มีอายุแค่ร้อยปีพันปีมันก็มีอายุแค่แค่พันปีมันไม่มีในทรงตัวอยู่อยู่ได้ดีนั่งเขียรูปพอเข้าใจไหมการที่เราไปจิตอยู่ในรูปเพเพราะว่าเราคิดว่ารูปนี้มันเป็นของเราเป็นของเที่ยงเป็นของที่เราบังคับได้แต่แท้ที่จริงโรคที่เสยกำลังนั่งทำสมาธิอยู่จะบังคับมันได้ไหมไม่ได้ มันมีของสะอาดและศปกรกอศปรกเพราะว่ามันใช้อาหารจากของศกรปรกมันได้ธาตดินคือทาตอาหารมาจากของสกรปรกและให้มันสะอาดได้จากที่ไหนไม่มีถ้าเรือร่างคือรูปนี้จึงเป็นของสกรปรกรูปร่างของคนอื่นที่เป็นโรคก็เป็นของสกรปรกสวยไหมไม่สวยก็ามาจิตมาเห็นว่าโรคไม่สวย รูปนี้ไม่ใช่ของเรารูปนี้ไม่ใช่ของที่เราบังคับได้จิตมันจะวางอารมณ์ไปไหมมันก็วางความคิดที่จะนึกถึงมันวางอารมณ์ที่จะไปคิดนึกถึงรูปที่ไหนแต่จริงดีว่าคนนู้นสวยนะคนนี้ดีนะมันก็ไม่มีของนั้นอยากได้นะัมันสวยดีนะก็ไม่มีเพราะแม้แต่ของที่ปรากกับขี่มีได้มันก็เป็นของสิ่งที่ตายไปแล้วรู้กันง่ายๆว่ามันตายไปแล้ว ต้นไม้ตายแล้วเขาก็เอาไปทำย่ากินกินหอมมันก็มาจากอะไรก็มาจากสิ่งมีชีวิตถูกไหมรสมันอร่อยมันก็จะมันก็มาจากสิ่งมีชีวิตมาจากอะไรอ้อยที่ผลิตน้ำตาลเกลือเค็มก็ เ, เอาหวานบ้างเค็มบ้าง เผ็ดเผ็ดงปากปากปะนปกันแล้วก็บอกว่าอร่อยดีถ้าพิจารณาอย่างนี้เรื่อยๆจนฝ่าจิตของเราเริ่มเห็นว่าที่เราโมตติที่รูปเป็นความโมง่รูปไม่ใช่ของเราที่ไหนรูปเป็นของสกปรกรูปเนี่ยมันสกปรกตั้งแต่มันยังเป็นอยู่เหมือนจิตอาศาัยอยู่เวลานี้รูปทุกคนต้องสกปรก เธอต้องชำระสะสมเธอต้องพยายามพ่นสิ่งของหอมลงไปในร่างกายเธอต้องขจัดสิ่งที่สกปรกที่เธอสามารถขจัดได้เท่าที่ทําได้ภายนอกแต่ภายในกายเธอไม่สามารถไปเอากล a p ไปซ่อกําไส้เธอได้หือจะเบื่อไปล้างปอดไม่สามารถเอาอะไรเป็นดักฟอมเหม็นที่อยู่ภายในของเธอได้ จริงไหมแต่ภายนอกที่มันปรดทังออกมาเธ้ก็ได้แต่ยับยัง้งแค่ล้างมันโชคลาวเดี๋ยวมันก็หืนเหมือนอีกแค่ทำความตาประเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็ปกปรปกอีกเจ้ก็ต้องขยันทําอย่างนี้ตั้งแต่เกิดยันตายถามว่ารูปดีไหมไม่ดีเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทุกข์ชอบไหมเราก็ไม่ชอบ จิตเมื่อมันวางรูปไปเสียมันจะสงบไหมมันก็จะสงบนี่แหละเริ่มในขมับพอจิตมันมีในขมับมันเกิดควาสงบมันกัละนิวรันก็เป็นอย่างตัวละ อ, อากาศ ร, ร่างกายของเธออยู่ในอากาศที่พร้อมที่จะทาสมาธิดได้ไม่เดียดเบีนมันเกินไปดีแล้วแต่เธอก็อยังทรมานจิตใจของเธอ เพราะเธอมีความคิดคิดที่ไปทางอากุศลคิดงงง่าไปทางอากุศลคิดสงสัยในสิ่งที่ตัวเองกาลังปฏิบัติไในทางอากุศลจิตจะเป็นสมาธิได้ไหมไม่ได้เวลานั้นก็ยังไม่เป็นในธรรมะผู้สุดปฏิบัติเขาจริงละ ส่วนสุดทั้งสองประการแล้วก็ฝึกันถึงขั้นเข้าสู่ความเป็นพรหมจรรย์ได้การนม่ถึงอารมณ์ส่วนสุดทั้งสองประการนี้เพื่อความเป็นพรหมจรรย์คือในขมักนั่นเองเมื่อจิตเข้าสู่พรหมจรรย์หรือข้าจิตสู่อารมณ์ในข ม, มักเวลานั้นจิตจะสงบส ง, บสงบัดแนบแน่นเมื่อทํำสมาธิจิตด้วยการรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกภาวนาดังที่ตนเองชอบ คันนี้มันก็สงบสั่นสงัดสบายเบาพอมันเบาสบายเธอก็ติดตปกจิตใจพรุ่งนี้ตั้งเวลาเลยเดี๋ยวฉันจะต้องนั่งให้ได้ถ้าวันนี้วันนี้นั่งเลื่นไปตั้งหนึ่งชั่วโมงพรุ่งนี้ต้องได้หนึ่งชั่วโมงพอเป็นนั่งปักแค่หนึ่งนาทีก็ไปไหนแล้วโกไม่กลับนี่เขาก็เรียกว่าพอละมันใจเกินไป ภามาทั้งใจแล้วก็ยังภาวนาทั้งกายนะแค่นี้เข้าใจนะจ๊ะอธิบายเอาง่ายๆมีง่ายแล้วนะอยากกว่านี้ไม่อยากพูดเรื่องง่ายกว่านี้ก็ได้เจขอเชิที่ป่าชนาจัตรงในธรรมบารมีก็สำรวจใจของเจ้ให้ดูดีคิดไว้เป็นเครื่องเตือนสติไว้เสมอเมื่อเรากล่าวสมาทาน สักากรรมฐานสมาทานองค์แห่งการฝึกบวชหรือในขมะไม้ว่าผู้บวชแล้วหรื อ, อยังไม่บวชเดือยตั้งใจจะบวชถ้าตั้งใจจะ ท, าทําสมาธิจิตก็ถือว่าตั้งใจเข้าสู่ในขมะเหมือนกันทีนี้มนโนยิิเกี่ยวข้องยังไงเกี่ยวฉันจะโยงให้มันเกี่ยวนะมันไม่เกี่ยวว่าทาั้มันเกี่ยวกันดีไหม ก็มโนมายติก็มีฤท ธ, ธังใจใช่ไหมละ่ะคำว่าฤทธังใจเนี่ยสำคัญมากย้มจับไว้นะไอการที่จิตมันจิตอยู่กับรูปก็เพราะมันยังออกจากกายไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกจิตออกจากร่างกายได้เชื่อว่าเป็นเนคมะทันทีเป็นยังไง่ายไหม ง่ายพูดัง่ายเอาอีกนะถึงบอกบุคคลที่ฝึกมโนยิชีได้จึงได้เปลี่ยนเพราะการที่สามารถส่งจิตออกไปออกนอกกายไปเสียคําว่าออกนอกกายนั้นมันจะดุดทั้งตัวทั้งหมดนะดุดได้กระดดไปมนุษย์ไม่ได้ก็ดุจแค่ความรู้สึกแต่ว่าก็พะความรู้สึกที่ใจมันไม่ติดอยู่ที่นี่มันไปติดอยู่ที่อื่นติดที่ไหนติดที่พระพุทธรูปบ้างตรงจนเป็นสมาธิแล้วก็เห็นองคตเดชพระโรมาโคองค์จริงบ้าง ที่มีความรู้สึกเพระองค์ที่พระจุลามาในเจดีย์สถานไม่เหมืที่เจอฝึกมาแรกแล้วเขาก็ให้เถอพิจารณาร่างกายตัดความยินดีการเป็นมนุษย์ที่เสี่ยบางคนก็ตัดไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละเขาก็บอกไปถึงนิพพานก็ไปมาอย่างนั้นเนี่ยไปตามเขานั้แตะใจไม่ได้ไปหรอกก็ไม่ได้ตัดจริงใช่ไหมถ้าตัดจริงๆมันก็ถึงจริงมันก็สัมผัสพัดตามความเป็นจริง คนจะถึงนิพพานได้เนี่ยแค่ความรู้สึกเนี่ยคิดว่าหมูนะมันนึกไม่ถึงไม่จะบอกให้อารมณ์จิตมันต้องถึงมันถึงจะถึงนิพพานถ้าอารมณ์จิตมันยังยินดีในการเป็นมนุษย์ยินดีในการเป็นเทวดานางฟ้าเป็นตรงมันจัดง้อไม่หมดอารมณ์ไม่ถึงนิพพานหรอกแค่อารมณ์นะแค่ีความรู้สึกมันก็ไม่ถึงแล้วไอจีบอกถึงถึงกันน่ะถึงบอกไม่เห็นรู้เรื่องเลยมันจะรู้ยังไงนะ ถ้าจิตละเป็นแบบนี้ตัดเขาต้องตัดจริงๆตัดช่วงขนาดหนึ่งจิตวางได้ขนาดหนึ่งก็งสามารถสัมผัสนิพานได้ขณะหนึ่งเหมือนกันนั้นนิพานไม่ใช่นิพานพูดกันเล่นๆแล้วมันจะได้ง่ายๆมันได้ง่ายหรอกยากคนที่สามารถสัมผัสนิพานได้ถือว่าเก่งการที่จิตก็เราเคลื่อนออกจากร่างกายและไปที่พระจุลามณีเจดียสถานได้ถือว่าเธอทรงได้คัว่านั่นแหละใจบวชแล้ว เธอก็พยายามฝึกมโนยิชชขยันทําใจของเธอส่งไปที่พระที่พระจุามณิเจดิตสถานด้างส่งไปที่พระมรตักความยินดีในการเต็นมรเป็นเจวานังฟ้าเป็นตรหมเราคิดว่าจะเกิดทําไมมีร่างกายระยำแบบนี้เลิกเลิกคบหาสมาคมกูัวไม่อยากทนทุกข์ไม่อยากเป็นเจวดานังฟ้าไม่อยากเป็นตรหเพราะไม่ไม่นิยมจะมาเป็นมนุษย์เพียงเท่านี้จิตก็หลุดออกไปถึงนิทานได้ง่าย ก็แค่ความรู้สึกแค่ความรู้สึกประเดี๋ยวหนึ่งเธอก็ทรงเนคขมะประเดี๋ยวหนึ่งเ่อทรงความรู้สึกอยู่ที่พระบรรดนนิทานได้นานสิบนาทีเธอก็ทรงเนคขมะได้สิบนาทีทีนี้มาถึงตรงนั้นเธอก็พิจารณารูปพิจารณาความยินดีที่เราสิทธิ์อยู่ในร่างกายร่างกายของเราร่างกายของคนป่นพิจารณาความยินดีในจิตทเสียงกินรสสัมผัสเตี้เพื่อให้มันกลับรงมาแล้วมันทรงความเป็นเนคขมะต่อ ไม่อย่งนั้นมันก็ทรงเฉพาะเวลาติดเครื่อนไปพอเครื่อนกลับมาเหมือนเดิมจะติดคาราวาสดีๆเหมือนเดิมถือไหมเวลานี้ไปถึงพระไหมล่ะไปได้ไปทรงนึกเอาไว้นึกถึงองค์เสด็จพระจแต่ปรมศาศรีดาไว้ก็วันนี้เราต้องการจะยึดข้อวัดปฏิบัติเพื่อการตรงใ น, นขมะตามที่เราตั้งใจจะมาบวช ผู้ดงเราจะไม่บทเล่นๆบดเอาสนุกบทผ่านก็ากชาบ้านเล้วบมาเป็นอันตรภานเจ้ยด่าคนนึเจ ว, ว่าคนนี้ก็แ น, น่นนคนนั้นก็แบบนี้เขาจะบดอะไรบทตัดนรกใช่ไหมคนที่เขาบทในธรรมะจริงๆทาไมก็ถึงสงบเาขาเป็นสมาธิ จิงเขาไม่จิตยินดีในรูปเสียงกีรตสัมผัสสมาธิก็จึงเกิดพอเกิดอารมณ์มันก็สงบพอสงบปัญญามันก็ดีปัญญาดีพูดก็วาจา ก, ก็ดีการกระทํำก็ดีก็มีสติดีอยู่ขนาดไหนที่ไหนอยู่คนเป็นหมื่นเป็นล้านาก็สงบสบายแต่ก็อยู่แค่คนสองคนยังมีเรื่องวุ่นวายก็แสดงว่าทรงอะไรตรงเอเวจีแต่ว่า ไ, ไม่ใช่ตรงในธรรมบารมี คนไม่บวชก็ไม่ต้องตกใจเวลาทําสมาธิก็ถสีวเราก็บวชนม่ขมักเหมือนกันนะเราไม่ต้องทรงผมผมผ้าเราก็ทรงไม่ขมักบารมีได้เราไม่ต้องใส่ผ้าสีขาวผ้าสีลายเราก็ทรงไม่ขมักบารมีได้เราไม่จําเป็นต้องเอาแบบภายนอกมาเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเราจะทรงไม่ขมักบวชเป็นไม่ขมักบารมีหรือบวชไมขมะอย่างที่เขาบวชทุดงกันให้บวชที่ใจให้มาก ตั้งใจกำหนดว่าตึกวันนี้ที่เขาบวชเราตั้งใจสมาทานเราจถืข้อวัดรปฏิบัติได้กันไม่ยินดีในรูปพยายามละความยินดีในรูปเสียงพยายามละความยินในรูเสียงกิรกิยสัมผัสนี้เป็นต้นเอาอดอใจเรกไปซะแล้วเราค่อยๆทาอารมณ์ให้มันสงบจะภาวนาอะไรก็ภาวนาไปตรงมันใจแบบนี้ยทั้งวันนึกว่าเรามีศี้นรัาสิ้นแป เนี่ยนรักบบษากาบวชติดก็ตามใจแต่ในขมะที่เกิดที่จิตใจของเราเราต้องคิดเราต้องนิกเราต้องทบทวนของเราแบบนี้ไว้เสมอว่าหนึ่งเราก็ต้องไม่ดีเยมาให้มันได้ในขมาแบบนี้สิเธอก็จะได้ประโยชน์ว่าเรามาเสียสลากเรามาได้กําลังใจอันป่าชนาจะมาบวชเราได้บวชแล้วบวชอย่างนี้นี่แหละเขาได้ บ, บวชแท้นะยังห่มผ้าสีอะไรจะปลงผมไม่ปลงผมก็ถือว่ายังไม่ได้บวชแท้ อย่างนั้นเป็นแค่เครื่องกัน้นเฉยๆสินก็ยังเป็นเครื่องกันก้นเฉยๆกั้นความชั่วแต่กั้นได้ไม่ได้ยังไ ม, ม, ม่แน่สิ่งมั้งไม่ใช่ฉันมีสินแปดจะซื้สวยเว้ยอันนี้อร่อยว่าอ่าติดๆติดอย่างนี้สินแะดช่วได้ไดช่อไม่ได้แต่จะอดข้ายนอย่างเดียวข่าวร้อนให้อดอ่ะ อีกประการหนึ่งที่องคเสด็จพระรามโคทรงตัดเวลาบวชให้พิจารณาอาริยสั์คือพิจารณาทุกโดยตรงไหนโดยตรงที่เรามาบวดนี้แหละ ไม่จะไปดูเองไกลหรกการที่เราจะมาบวชมันก็ทุกแต่เราจะได้มาบวชเราก็ทุกในคำว่าจะมาหมเราต้องอดกลั้นอารมณ์ที่เราคุ้นเคยในรูปเสียงเป็ลรสัมผัสเราก็ทุกเพราะเรากลัวว่าจิตมันจะไปทำความชั่วคิดชั่วมันก็ทุกเกรงเกรงในการปฏิบัติก็ทุกเห็นไหมทุกข์กิ สารพัดจะทุกข์สรุปแล้วไม่น่าเกิดเพราะที่เรามีรูปแบบนี้นี่เองเกิดมาเป็นรูปแบบนี้นี่เองเราจึงต้องมาบทในขมกกั่วเพราะต้องการบนบ้างต้องการความสงบบ้างต้องการบรรเทาเคาะกามบ้างต้องการหลุดเคลนบ้างอะไรก็ตามเถิดก็เพราะเราต้องมาใส่ร่างกายอย่างนี้ที่เป็นทุกข์ก็ต้องมาทําภาระอย่างนี้เป็นทุกข์ซึ่ไม่เห็นร่างกายมันสเสลยดีกว่า จะได้มาทำมาบ่มมาบวชให้วุ่นวายจริงไหมก็ตัดสินใจว่าไอ้ทุกข์ที่เราต้องมาบวชมันเป็นความทุกข์อย่างยิ่งถ้าเรามาบวชถึงแม้จะมีอาหารการบริโภคเราก็เสียสตางค์ก็ทุกข์อีกจะใส่บาตรใส่ข้าใส่บาตรพระจะทำบุญก็ต้องวิ่งแล้ววิ่งเล่าก็ทุกข์อีกจะไปหาอาหารก็ทุกข์อีกคนมาปิดกันข้างหน้าปิดกันข้างหลังเดินโยนหน้ายโยหลังก็ทุกข์อีกจริงไหม จ้องจะใส่อานู้นจ้องจะใส่องนี้ก็ทุกข์อีกความทุกข์มันมีมากมายเยอะแยะ แ, แ, แม้เรามาตั้งใจทําในคำมั่นแท้ๆยังมีจต่ทุกข์จิตก็เราก็สงบยากเพราเราต้องขม่มจิตข่มใจต้องอาศัยความเพียรต้องอาศัยที่ที่มันสงบก็ไปนั่งในปา่ามันคลื่นดีในปา่ายาจิมตุรก็คลื่นดีในปา่าไอ้นูนกระขาด อั น, นี้ก็ร่องไม่ได้เอามาไปขายก็ไม่ได้เอามาไฟก็ไม่มีไอยากันยุงก็ไม่ได้เอามาอีกทุกอีกจริงไหมม่จะเริ่มทุกทุกทั้นั้นแหละตลองพิจารณาดูเถอดไม่ต้องพิจารณาอื่นไกลเอาแค่เธอตั้งใจบวชเธอก็ทุกเยอะแยะพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าเธอจงพิจารณาเรื่องทุกให้เห็นเห็นว่าเนี่ยเราไม่น่าเกิด เราไม่น่ามาเกิดมีร่างกายอีกเลยเราจะขอเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเวลาเธอไปฝึกมโนยิธิกับเขาเพื่อทรงอารมณ์อย่างนี้ทั้งวันเธอจะมีความสงบส ง, บสงบดัดดีบกแตงกำลังกําลังเธอก็สามารถเข้าถึงผลของแตงกำลังของมโนยิธิได้ดีเพราะหนึ่งเธอทรงไม่ขมขะสอ ง, อ ง, สองเธอเห็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาจะเดินกลางคืนดึกดึกเดินกบกองโงู งูก็จะจ้องตัดจริงั้มก็ทุกข์อีกกัวคนจะฉุดก็ทุกข์อีกกลวจีปาฐะแยกพวกผีก็ทุกข์อีกตามทุกข์มันต่างๆนานาเกิดขึ้นกับเรามากมายและเกินกังวลทุกข์กลัจะไม่ได้ดีก็ทุกข์กลว่าสิกวันมาบวชกูจะไม่ได้เรื่องกับทุกข์อีกตามทุกข์อย่างนี้แหละมากมายเยอะเอาไปคิดเถอนะแม้ตามอยากแต่น้อยนิดก็จงคิดว่านี่คือทุกข์ ถ้าเราไม่มีกายแค่ตัวเดียวเราก็หมดทุกข์ที่พระเจ้าทรงตรัสว่าเตสังวัวปัส ม, มสุสโคการเข้าไปสงบกายนั่นแหละเป็นสุดอย่างยิ่งพ้ทนทุกข์ก็คิดอย่างงี้ทุกวันคิดต่นตื่นยันหลับไอความกลัวนั่นน่ะดีก็บอกเนี่ย ม, มึงมึง ม, y, มึงมีง ม, y, มึงนี่แหละกูถึงต้องกลัวมึงมีมึงนี่แหละกูต้อมาวุ่นวายอย่างเงี้ยจริงไหมเดินบนมันคนเดียวหาก็ะบ้ากระบ้ า, าวะ ปลุกรำเป็นคนเดียวใช่ไหมนั่งตัวตังง้งกลานๆๆๆหนาวพอถึงเวลาเช้าเขาก็ต้องให้ไปนนั่งสมาธิแม้ขออีกสักนิดไม่ได้เหรือได้หลับได้สบายกําลังเพลนเมื่อคืนดึกไปไหน่อยคุยเพลนกไปดึกปี่สิก็ไว้ปลุกเพรกลัวเขาเจะะ้าหีจะมาจับได้เอาชื่อเราไปประกาศบอกที่คนนั้นใหญ่คนนี้เอาสนอนเอาสนอนเขาก็ประกาศแบบเนี้ยทุกไหมทุกอีกายเป็นทุก ไอ้ขันจะไปนั่งสมาธิกับเขาไอ้แล้วก็ไม่ถนัดแต่มาบางคนไม่ถนัดไปทรมานให้บแลแงก็บินให้ว่อนมุ้งก็ไม่มีอะไรก็ไม่มียุ่งก็กัดเืดองกัดนี่หูก็จะฟังเสียงหลวงพ่อไอ้แมงวีก็บินวีวีข้างหูทุกข์กเห็นทุกข์เยอะไหมเยอะพิเกียจะพูดบานอาไทยนั่งนั่งไปนั่งมาเขาบอกว่า เวลานี้ห้ามลุกไปไหนอันที้ก็อันอันเยียวก็อันขาก็เมื่อยกูจะทํายังไงดีวะจะไปตอนนี้ก็อายเขาได้ก็จับได้อีกอะไม่สนใจปฏิบัติกรรมฐานทุกอีกใครคิดได้ทุกทุกวันทุกๆวันมีสิ่งที่เป็นทุกตลอดเวลาโทษมันอย่างเดียวว่ากูโม่ถ้ากูไม่มีขันห้าร่างกายจะเสียวเดียวกูไม่ต้องมานั่งปฏิบัติในขมา้าจริงปะนี่ขนาดได้ขม้าดีนะบวชเป็นสองดีไหม ดีการทรงใจเข้าถึงพรอาจรรย์ก็ดีมันยังทุกขนาดนี้เลยนับภาษาอะไรกับเรื่องอื่นนี่คือผลทางของบุคคลคนเดียวแท้ๆที่สลัดแล้วซึ่งความวุ่นวายกับคนอื่นไม่ยินดีรุกใครไม่บุนบายกับความยินดีเหมือนอย่างที่เราเคยยินดีในก่อนมาแต่มาตัดแล้วเหลือคนเดียวกูมาคนเดียวลูกไม่มีผัวไม่มีเมียไม่มีที่มมไม่มีน้องไม่มีกูไม่มีใครมีกูคนเดียวกูยังทุกขนาดนี้เลย นี่กูเกิดมาทํำไมเนี่ยจะมาเอาบุญแท้ๆยัง ท, ท, ท, ทุกข์เลยจงไหมเออเลิกมันซะดีกว่าชากนี้ชาติตัวท้ายเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่มเอ้ามาเรียนทุกข์งไงเห็นไหมล่ะเรียนทุกข์ใหม่จะได้มีความรู้สึกว่าโอ้มันท่ำชองนะเนี่ยให้มันท่ำชองไปเลยจะได้รู้จักว่าแอดทุกข์ของการบวชเนี่ยมันทุกข์จริงๆพระสององค์พระเจ้าจาังกัดทุกข์ แต่นะอุตสาหนีความยินดีเพศตรงกันข้ามหนีมาก็โดนตามมาก็ทุกข์อีกบางองนะบ่ น, บนอะอย่างนั้นเนี่ยถ้าทุกข์ยิบปะทะแยะหลบเข้ปาป่ายุ่งก็ตามสัตว์ก็ตามวุ่นวายไปหมดทุกข์อีกนี่กูจะหนีไปไหนพ้นวะหนี่ไม่คนทุกข์ยิ่งไม่อยากให้ทุกข์เกิดก็ทุกข์ยิ่งไม่อยากให้จิตมันวุ่นวายก็ยิ่งทุกข์ยิ่งต้องการหาที่สงบก็ทุกข์ ยิ่งมีความเมตตาของเคขาเข า, เขาและเราขาดปัญญ า, าก็าทุกยิ่งมีความสงสารเขามากแล้วเราก็ขาดปัญญาแล้วเร า, เาก็ทุกทุกทั้งนั้นปัญหาตัวเดียวนั่นแหละถ้าเธออยากปวดผู้ ถ, ถูกไหมเพราะตัญหาเพราะเธออยากใกล้จะตงในขมับ อ, อยากปวดเธอก็ต้องตระเตรียมเยอะแย ะ, ยะ อะไรขนเต็มไปหมดอ่ะแบกกันเข้าสระสระเข้าไปในป่านะอี่กหนั้นของกูคนนี้เจอกูเจอาแล้วกูวางของไว้เนี่ยทะเลาะกันอีกทุกนี่ฉันไม่ครเข้าป่าแล้วนะจังพู่เล่นอย่างงั้นเน่ยเดาเอานะว่าคนคองทุกกันแบบนี้กำลังอืาฉันเลยไม่ชอบเขา้าป่าก็แบบเนี้ยนะขี้เกียจไปหาทุกนอนอยู่ก็ตีกระทุกเหมือนกันแล้ว ที่ง่ายไปอีกเดินสองสามก้าวแล้เข้าช่วงสบายปลดทุกข์หขันนะประการแรกเปลี่ยนใจของเราไว้ว่าเราเป็ น, นผู้ทรงใํมมาว่าเราต้องไม่ยินในรูปเสียงกินรสัมผัสประการที่สองเราจะต้องไม่สนใจเกินไปไม่ทําลายกายเกินไปเบียดเบียนกันเกินไ ป, เ, ป, น เ, นไปเพื่อจิตมันสงบง่ายประการที่สามเห็นทุกข์ไดมากแล้วก็เห็นเหตุที่จะไม่เกิดทุกข์คือปัญหาของเราแท้ กูไม่บ้าอย่างนี้แล้วมึงเอ๊ะกูก็มาต่อมาทนนั่งไปกระบนไปนะเดินเข้าป่ากระบนไว้ไหมไม่น่าและอยู่บ้านสก็ดีแต่อยู่บ้านไม่ได้บุญไว้อามานี้เอาบุญดีกว่าจริงไหมเอาบุญก็สนทุกเอานะขึ้นเชื่อกมีขันห้าแล้วอยู่บ้านมันก็ทุกเหมือนกันอยู่หนี้ก็ทุกเหมือนกันไหนๆจะทุกแล้วก็ทําเพื่อนหนีทกุกันแล้วกันเราก็ได้ตั้งใจว่าเราจะหนีทุกได้อย่างไร ศีนต่รักษาแข่งครับมีแต่ ก, การหนีทุกข์หนีปัญหาเบื้องต้นแต่ว่าทานศิลภาวนาต้องทําให้มันคงเพื่อหนีปัญหาหนีความทุกข์เมื่อเรามีปัญญาดีเราก็จะรู้สึกว่ากูเลิกโง่ไปตั้งครึ่งหนึ่ง น, นเนี่ยคราวหน้ามาฤดงใหม่ต้องเตรียมตัวให้ดีแต่ว่มาตอนนี้ขาดอยา ก, กัญญงคราวนี้ขาดเลยน่นขาดเลยนี่ ปีหน้าต้องไม่พร้อมคนก็ทังบ้านเลยเย้ไหมเอามานทั้งบ้านเลยอาหารการกินเตรียมไว้ก็น้อยเสร็จถึงนานน้ <Mor an> best, food, inside, milk, ําตานะต้องได้กินไม่ได้กินหิวกินน้ำน้ำอ่ะนะตาละก็ไปว่าน้ำเหมือนกันใช่ไหมเออการตระเตรียมมันก็ทําให้เรามีตามประสับกระส่ายคนเจ้าบทเนี่ยเขาถือสมถะหมายความว่าถือควาสันโดษ เรียกง่ายให้มีความวุ่นวายน้อยเบปลี่ยนตัวเองน้อยแต่ก็ไม่ท ร, รมานใจเกินไปเอาความพอดีเรามีก็ใช้แต่ไม่ต้องว่ามันไม่มีก็ต้องไปแสวงหามันที่นี่ไม่มีเดี๋ยวกงวันกูออกไปในเมืองไปซื้อมันมาจะว่าเอามาําระความทุกที่ไหนได้ทุกหนักก็ไปใหญ่ก็ต้องเดินทาออกจากวัดไปในเมือง เราเห็นกิเหลสของเราเยอะไหมเยอะนะนี่แหละแม้แตความใคร่เข้าสู่ความเป็นพรรมบัญญัติก็ยังมีแต่ทุกข์การปฏิบัติละส่วนสุดทั้งสองอย่างได้นั่นแหละคือการเดินทางเข้าหาความสุขโดยแท้จิตเมื่อละออกจะได้ทั้งรูปเสียงกิ่ลรสสัมผัสจิตเมื่อละออกได้ซึ่งการสประมาณกายสประมาณใจเกินไป นั่นคือหนทางสายกลางที่สามารถเข้าถึงความสิ้นทุกข์โดยแท้ถ้าเธอติดข้องอยู่ในส่วนได้ส่วนหนึ่งเธอไม่สามารถเดินทางเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้เพราะว่าหนึ่งไม่เติมสมาธิเมื่อไม่เติสมาธิก็ไม่เกิดปัญญาเมื่อไม่เกิดปัญญาเซฟก็จะไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์เซฟก็ดับทุกข์ไม่ได้สําคัญใช่ไหมจ๊ะสําคัญก็ นึกเอาไว้จําไว้ให้แม่นยำเตือนตัวเองบ่อยๆอย่าให้ใครก็มาเตือนอเดี๋ยวเขาจะเตือนว่าวันนี้คุณชื่อนั้นชื่อนี้อยู่กดเดินนั้นเดินนี้เอาตนนอนเขานั่งกรรมฐานก็เอาตนนอนไปกวัใจชาวบ้านคนนั้นไปกวัใจชาวบ้านคนนี้เขาต้องมีแหละจะว่าเออเขามีสายตรวจใช่ไหม ตรวจต ด, ด, ดนนะอยู่คณครบดีวกว่ากลาคืนก็อส่องไปฉายมันนอนแล้วมันนั่งกรรมฐานาะไรเป็นต้นแม้เดนจับผิดไปทั่วแล้วมันสนุกไหมไม่สนุกนะมันไม่สนุกเลยแต่มันก็สะใจดีไหมสะใจดีสนับความโง่นะเออเนี่ยมสมกับตันหาหน่อยอยากนักหนี่เออมันสมอยากหน่อยสิแต่ถ้าเราจะเอาดีได้เราก็ต้องไปดสนนะไปเจอทุกข์เสียง เราจะได้เนียรู้ตามทุกขวันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดของเราในชีวิตชีวิตครั้งหนึ่งได้มีโอกาสได้บวชได้ทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําใช่ไหมหาเวลาทําได้ยากเพราะถ้าเขาไม่จัดเราไปเองมันก็สุดจะลําบากกลัวมันคนเดียวนี่มาหลายคนใช่ไหมรดตามกลัวไปได้ตรงแย่ผีคนไม่หลอกเราคนเดียวกระบงังกดตรงโน้นก็ต้มีกดตรงนี้ก็มียังไงก็ยังเรียกสองเสี่ยงเรียกกันทันได้ยังไงพอไหว เออถ้าไปอยู่คนเดียวเนี่ยแม่มันจะวิ่งหาใครปากระเจงแน่เลยขับขนาด น, นี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเรายังมีความทุกขถึงเพียงนี้และเราจะทำอะไรปากใดที่ยังมีขันห้ามมันคือความทุกือดีที่สุดมันยังทุกขถึงเพียงนี้และไอที่เราบ้าหลงรูปบ้าหลงเสียงกิลนรสัมผัสที่ตรงจักว่าเป็นคํามอันเลว มันไม่ยอดทุกหรือ <t ark> นั่นอะจะเป็นทุกเละนะทุกมากมากทุกสาหัสสากัรมีหนึ่งไม่พอมีสองมีสองไม่พอมีสามสี่ห้ามีว่าไปเรื่จยไปเองไหมบ้านหลังน้อยต้องบ้านหลังใหญ่คนตัวเล็กทำคนตัวใหญ่อืก็ตัวมันยังเล็กอยู่ก็ต้องป้อนมันตัวโตตัวใหญ่ๆแล้วก็มันจะไปไหนก็ไปใช่ไหมพอหมดตัวใหญ่หาตัวเล็กใหม่ สร้างตัวเล็กมันเลี้ยมมันโตใหญ่แล้วก็ไปหนึงก็ไปก็ยังทุกอย่างนี้ไม่พอก็ต้องสร้างบ้านบ้าหนหลังใหญ่ก็ปิดการงานก็ต้องทําให้เยอะขึ้นวเวลาจะไปไหนก็น้อยลงเพราะเราต้องแสวงหาทรัพย์มากขึน้นผู้บวชเนี่ยไม่ต้องใช้ทรัพย์บอชที่ใจไม่ต้องใช้ทรัพย์เห็นไหมไม่เปลืองสตังจบแล้ว